วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่มีการถวายกระถินพระราชธาธนแก่วัญยานสังวลารามแก่พระภิกษุ ที่อยู่จำพรรษาในวัดญาณสังวรารามเป็นกถินพระราชทานเพราะว่าวัดยา น, นี้เป็นวัดหลวงคือเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้อุปถัมภ์ดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยเป็นผู้ที่จะถวาย ผากระถินให้แก่ผ้าลามหลวงต่างๆในเมืองไทยเหล่านี้มีกระถินอยู่สองชนิดด้วยกันคือกระถินหลวงหรือกระถินพระราชทานและกระถิ่นลาดคือกระถินของประชาชนทั่วไปเป็นผู้ถวายเพราะว่าเมืองไทยนี้มีวัดอยู่สองประเภทด้วยกันคือวัดหลวงกับวัดลาด วัดหลวงนี้เป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทัมเป็นผู้คอยดูแลวัดลาดนี้เป็นวัดที่ประชาชนทั่วไปเป็นผู้ร่วมกันสร้างเป็นผู้ดูแลกระถินเลยมีอยู่สองประเภทด้วยกันกระถินหลวงหรือกระถินพระราชทานกับกระถินลาชคือกระถินที่ประชาชน นำเอามาถวายให้กับวัดบางทีก็เรียกว่าเป็นกรถินสามคัคคีถ้ามีเจ้าภาพหลายๆคนทำร่วมกัน น, นี่คือกรถินในประเทศไทยเรานี้มีอยู่สองรูปแบบสองประเภทถ้าเป็นวัดหลวง<ม>ก็ต้องเป็นกรถินของพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พระราชทานแต่ในปัจจุบันนี้ก็ ตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินก็สามารถนํามามาถวายแทนได้บางทีพระเจ้าแผ่นดินก็ส่งมอบตัวแทนให้มาถวายเองหรือบางทีก็มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในวัดหลวงได้ไปขอพระราชาทานนําเอาผ้ากรถินมาถวายแทนพระองค์อ่นี่คือกรถินของวัดหลวงต้องเป็นกรถินพระราชาทานเท่านั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอรับผ้าพระราชทานเพื่อนำเอามาถวายซึ่งใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพกระถินวัดหลวงก็ต้อง ต, ติดต่อกับเจ้าอาวาสของวัดหลวงแล้วท่านก็จะบอกวิธีดำเนินการให้ไปรับผ้า พ, พระราชทานมาถวายให้กับวัด ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวแทนโดยตรงของพระเจ้าอยู่หัวสมัยนี้ท่านเปิดกว้างหน่วยงานต่างๆหน่วยงานราชการต่างๆบริ ษ, ษัทห้างร้านต่างๆบุคคลต่างๆผู้มีมจิตศรัทธาที่อยากจะถวายผ้ากถินให้กับวัดหลวงก็สามารถไปขอพระราชทานอนุ ญ, ญาตรับผ้า กระถิ่นมาถวายแทนพระองค์ได้แต่ว่าขั้นตอนของการกระทาก็ต้องไปติดต่อกับทางวัดที่เราจะไปถวายทางวัดก็จะแนะนาหรืออาจจะดาเนินการให้เลยก็ได้ส่วนวัดราชคือวัดวัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างกันขึ้นมา <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นกระถินราชหรือกระถินสามัคคี แล้วแต่ว่ามีเจ้าภาพคนเดียวหรือมีเจ้าภาพหลายๆคนถ้ามีเจ้าภาพคนเดียวก็เป็นกระถินราชถ้ามีหลายหลายคนก็เป็นกระถินสามัคคี <c oughs> อันนี้ก็ติดต่อกับเจ้าอาวาสของแต่ละวัด <c oughs> ถ้าเป็นวัดราชก็จะไม่มีกระถินพระราชทาน <c oughs> จะเป็นกระถินธรรมดากระถินราช <c oughs> <c oughs> ซึ่งเราส่วนใหญ่ก็จะคงได้ยินกะถิ่นสามมค่ขีคือบางปบางีบางวัดอาจจะไม่มีเจ้าภาพคนเดียวก็เลยมีเจ้าภาพหลายๆคนมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็เรียกว่าเป็นกะถินสามมคขีขึ้นมาทุกวัดในประเทศนี้จะมีการรับภาพกะถินถ้าอยู่ในเงื่อนไขของพระธรรมวินยัย คือวัดแต่ละวัดนี้จะรับผ้ากถินได้เพียงครั้งเดียวต่อปีและวัดที่จะรับผ้ากถินได้นี้จะต้องมีพระภิกษุอยู่จาพรรษาอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปถ้ามีพระภิกษุต่ำกว่5ห้ารูปจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากถินได้ถ้าอยากจะถวายผ้าก็จะถวายเป็นผ้าป่าไปแทนก็ได้ก็เป็นผ้าเหมือนกัน ผากระถินหรือผ้าป่านี้ก็เป็นผ้าขาวที่เอามาถวายให้พระภิกษุนำมาไปตัดเย็บซักย้อมให้เป็นผ้าจีวรผ้าตายจีวรคือผ้านุ่งห่มผ้านุ่งผ้าห่มผ้าห่มกันหนาวเรียกว่าผ้าสะบงผ้าจีวรผ้าสังคติ ที่มาของภาพกระถินนี้มีมาในยุคสมัยพุทธกาลคือในยุคแรกๆของการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้ายุคแรกๆของการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ยังมีาภาพพิกษุมาบวชเป็นจำนวนน้อย ในยุคนั้นผ้าพิกษุหรือนักบวชทั้งหลายจะนิยมไปเก็บผ้าในป่าชามาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมให้เป็นผ้าจีวรสมัยนั้นคนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความยากจนหรือเป็นประเพณีธรรมเนียมจะไม่นิยมนำศพไปเผาหรือไปฝัง อันนี้ยมเอาผ้าขาวมาหอ่อศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้เน่าเปื่อยให้ผุพังไปพอร่างกายเน่าเปื่อยแห้งกรอบเหลือแต่โครงกระดูกห้ือเป็นกระดูกชิ้นๆไปผ้าที่ต้องการที่จะเอาผ้าไปตัดเย็บเป็นจีวรก็จะมาเก็บผ้าที่มีอยู่ในป่าช้า สมัยนั้นมีนักบวชไม่มากในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนใหม่ๆจำนวนพระในป่าชาติก็มีพอเพียงกับพระที่มาบวชแต่ต่อมาเมื่อมีคนมีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นมีความศรัทธาที่อยากจะออกบวชเป็นพระภิกษุ การมากขึ้นผ้าในป่าชาติก็เลยไม่พอเพียงต่อการต่อความต้องการของผ้าภิกษุทั้งหลายที่มาบวชกันผ้าภิกษุก็เลยอยู่กันอย่างแร้นแค้นอยู่กันอย่างยากลําบากเพราะมีผ้าไม่พอเพียงเพราะบางครั้งเวลานุ่งห่มผ้าไปข้างนอกเช่นไปบินธบาลหรือไป กาบไหว้ครูบาอาจารย์ระหว่างทางอาจจะไปเจอฝนพอฝนตกก็ไม่มีผ้ามาเปลี่ยน<บ><อ>ก็ต้องไปเฝ้าไปเข้าหากุบาอาจารย์เช่นในกรณีของพระพุทธเจ้าก็มีพระภิกษุเดินทางมาจากที่ไกลระหว่างทางก็มาเจอฝนโดยทาให้ผ้าที่นุ่งมาเปียกบอนแต่ไม่มีผ้าสำรองไม่เปลี่ยน พอมาเฝ้าพุทธเจ้าก็เลยต้องนุ่งผ้าที่เปียกปอนนี้เข้าเฝ้าเพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นความยากลาบากของพระภิกษุเรื่องของการขาดผ้านุ่งห่มไม่สวมใส่ก็เลยประกาศบอกอชาวพุทธคือพุทธศาสนิกชนพุทธบ ร, ริษัทคือสัตยาญาติโยม ว่าตอนนี้ผ้าภิกษุเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องผ้านุ่งห่มผ้าที่ไปเก็บในป่าช้าที่เราเรียกว่าผ้าป่าผ้าบางสกุลตอนนี้ไม่พอเพียงต่อความต้องการของผ้าภิกษุที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยทรงบาบว่าควรจะถวายผ้าให้กับผ้าภิกษุเพื่อที่ผ้าภิกษุจะได้มีผ้าไว้พอเพียงต่อการใช้สอย ผ้าที่พระองค์ทรงตัดนี้ก็เรียกว่าผ้ากรถินแล้วก็ทรงตัดว่าเป็นเป็นผ้าที่มีอนิสงส์มีประโยชน์มากมีบุญมากเพราะว่ากำลังช่วยเหลือพ้าพิกษุูที่เดือดร้อนมากนั่นเองแต่ความจริงก็เป็นผ้าขาวดีๆนี่เองแต่เป็นเป็นผ้าที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน ของพระภิกษุในเรื่องเกี่ยวกักบเครื่องนุ่งหม่มหรือผ้านุ่งห่มได้ mm. ก็เลยส่งบอกให้ญาติโยมนำผ้ามาถวายกัน mm. ปีละหนึ่งครั้ง mm. วัดละหนึ่ง mm. แต่ละวัดก็จะรับได้เพียงหนึ่งครั้งและพ้าที่จะรับผ้ากระถินได้ต้องอยู่จำนวนสาร่วมกันอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากรถินได้มีก็คือที่มาของเรื่องของผ้ากรถินโดยย่อๆเพื่อให้ศรัทธายาโยได้เข้าใจว่าทําไมถึงมีกรถิ่นชนิดต่างๆอืเพราะว่าเรามีวัดที่มีหลายประเภทมีสองประเภทด้วยกันวัดหลวงก็ต้องไปกรถินพระราชทาน พระรก็เป็นกรถินทั่วไปกรถินสามคัคคีเป็นต้น <Yeah. S 2> แต่อั น, นิี้สงผลบุญก็จะได้เหมือนกัน mm hmm. ไม่ว่าจะถวายผ้ากรถินพระราชาทานหรือถวายผ้ากรถินสามคัคคีหรือแม้กระทั่งถวายผ้าป่า ก, ก็ดี mm hmm. บุญกุศลที่จะเกิดขึ้นนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนผ้าที่เราถวาย ถ้าเราถวายผ้ามากเราก็จะได้บุญมากเพราะเราต้องเสียสละมากถ้าเราถวายผ้าน้อยเราก็จะได้บุญน้อยแล้วนอกจากนั้นญาติโ ย, ยมอยากจะได้บุญเพิ่มมากกว่าการถวายผ้าก็เลยถวายปัจจัยอย่างอื่นให้กับวัดด้วยเพราะว่านอกจากผ้าแล้วทางวัดก็ยังต้องมีปัจจัยสิอย่างอื่นในปัจจัยสี่มีอาหารบิณฑบาต มียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยกุฏิมีฐานวรลวัตุเช่นโบสถ์เจดีย์ศาลาวิหารที่จำเป็นที่จะต้องมีไว้ใช้ในกิจกรรมทางศาสนาและเมื่อสร้างมาแล้วก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายค่าดูแลซ่อมแซมเวลาที่ เกิดอาการซุดซมต่างๆขึ้นมาทางวัดก็เลยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากผ้าเพียงอย่างเดียวยังมีธรรมเนียมประเพณีที่จะมีการถวายปัจจัยเงินทองข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้กับวัดร่วมไปพร้อมกับกถินกับผ้ากระถิน่นแต่คาว่าผ้ากระถินนี้ความจริงเป็นหมายถึงการถวายผ้า ผ้าขาวเป็นผืนเดียวเท่านั้นเองแต่เนื่องจากสมัยนี้พระหรือทางวัดนี้มีความจําเป็นที่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นตามสมัย mm hmm. สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาสมัยนี้มีการใช้น้ําประปาใช้ไฟฟ้าก็ต้องมีค่าน้ําค่าไฟ mm hmm. สมัยก่อนอาจจะไม่ไม่ต้องมีโบสไม่ต้องมีเจดีย hmm. ไม่ต้องมีกุฏิด้วยซ้ำไปบางแห่งก็ทำเป็นกระต๊อบเล็กๆการดูแลรักษาก็ไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายมากแต่สมัยนี้สทธ า, ายายรมอยากจะให้าศาสนานี้ดูอย่างมีความสงาา่าผ่าเผยมีความสวยงามจึงร่วมกันสร้างถาบบวบรวตุต่างๆขึ้นมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาสร้างกุฏิให้ดูสวยงาม ก็มีค่าใช้ใจ่ายการค่าก่อสร้างถาววรวัตถุเหล่านี้ก็ดีหรือค่าบำรุงรักษาหลังหลังจากที่ได้สร้างถาวรวรลวัตถุเหล่านี้เสร็จแล้วไม่ไม่กี่ปีก็จะมีการชำรุดทรุดโทรมมีหลังคารั่วบ้างมีอะไรที่มันเสียหายบ้างที่จะต้องมาซ่อมแซมดูแลทางวัดก็เลยต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นมา ก็เลยมีการร่วมถวายปัจจัยคือเงินทองไว้สำหรับในการใช้ใจ่ายอุปในการใช้ใจ่ายดูแลวัดให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยใช้งานได้ไม่มีไม่มีความเสียหายต่างๆ<ม>ก็เลยถือโอกาสในการถวายผ้ากถินนี้ มีการร่วมเอาเงินทองมาถวายกันด้วยซึ่งเลยนสมัยนี้เงินทองะไรกลายเป็นตัววัดของการทำบุญกระถินไปแต่ความจริงแล้วถ้าจะาพูดถึงกะถินจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องของผ้าเท่านั้นเองเพราะสมัยพุทธกาลนั้นตอนที่เผยแผ่พระศาสนาใหม่ๆนี้วัดวารามก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีกัน พระภิกษุก็จะอยู่ตามป่าตามเขาอยู่กันตามแบบน้อมลุกคุกคานอยู่กันตามมีตามเกิดอาจจะอยู่ในป่าแล้วก็ทำเพลิงการแดดการฝนอยู่กันไปไม่มีกุติไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีไม่มีอะไรสิ่งที่พระภิกษุในสมัยนั้นต้องการก็คือปัจจัยสี่ อาหารบินทบาทก็ได้จากศรัทธาญาติโยมที่ใส่บาตรอยู่เป็นประจำผ้าจีวรก็เบื้องต้นก็อาศัยผ้าบางสกุลผ้าที่เก็บมาจากป่าชา้าพอผ้าในป่าช้าไม่พอก็เลยมีการถวายผ้ากระถินส่วนที่อยู่อาศัยก็อยู่กันตามโคนไม้บ้างตามถ้ำตามเงื่อมผาบ้างตามเรือนร่างบ้างไม่ได้มี เรื่องราวสำคัญในการที่ทั้งก่อสร้างถาวรและวัตถุต่างๆเพราะพระภิกษุในสมัยนั้นมุ่งเน้นไปสู่การหลุดพ้นด้วยการบรรลุมากคผลนผิพพานกันท่านจึงไม่ต้องการที่จะเสียเว ล, เวลามาให้กับการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆท่านอยู่กันตามมีตามเกิดคุติก็ไม่มีสมัยนั้น เพราะท่ก็อยู่แบบทุดงพระทุดงย้ายไปย้ายมาอยู่ที่นี้สักพักแล้วพอรู้สึกมันชินชามันทําให้สติไม่ไม่คล่องแคล่วว่องไวสติเผลอเลยก็ต้องเปลี่ยนที่ใหม่เพื่อไปกระตุ้นสติถ้าอยู่ในที่ชินไปอยู่ที่จําเจความชินชามันก็จะทําให้ไม่มีสติก็ต้องไปอยู่ที่ใหม่ที่แปลก ที่อาจจะมีภัยอะไรต่างๆที่ยังไม่รู้ก็จะกระตุ้นให้มีสติระ ม, มัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลานั่นจึงไม่มีถาวละวัตุ ก, กันในสมัยก่อนออยารักษาโรคท่านก็ใช้ยาดองน้ำมูดเป็นยาแผนโบราณโบราณนี้เขานิยมเอาน้ำปัสสาวะมาดองกับผลไม้เป็นยาดองเวลาที่ ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยปวดท้องปวดศรีรษะเป็นต้นก็ใช้ยาดองเหล่านี้ดื่มรับประทานก็พอที่จะรักษาให้โรคภยัยไข้เจ็บหายไปได้ mm hmm. ปัจจัยของพระสมัยก่อนก็ไม่ค่อยยุ่งยากวุ่นวายท่า น, นอยู่กันตามมีตามเกิดพอยุคแรกๆของการเผยแผ่พระศาสานานี้พระพุทยเจาจงมุ่งเน้นไปสอนผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้น จากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมักน้อยสันโดษไม่กังวลกับเรื่องปัจจัยสี่เท่าไหร่ขอให้มีที่สงบสงัดปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเพื่อให้จิตได้หลุดพ้นเทานั้นเป็นปัจจัยสำคัญกว่าความต้องการเรื่องปัจจัยเงินทองสมัยแรกๆจึงไม่มี ยุคแรกนๆนี้พระพุทธเจ้าทรงไม่อนุ ญ, ญาตให้พระภิกษุรับเงินรับทองเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะใช้เงินใช้ทองถ้ามีเงินมีทองนี้กลับจะเป็นอันตรายกับพระภิกษุไหนจะต้องเป็นคนไหนจะต้องมีที่เก็บแล้วถ้าเป็นไปอยู่ตามตา ม, ตามป่าตามเขาก็อาจจะเสี่ยงต่อการถูกป่นถูกถู ก, ถกจี้ได้จากมิจฉาชีพทั้งหลาย อาวิชาชีพรู้ว่ า, าพระภิกษุมีเงินมีทองติดตัวอยู่แล้วไปอยู่ในที่เปลี่ยว<ฮ>ก็อาจจะเข้ามาป้นมัจี้ได้แล้เวลามีทรัพย์ติดตัวนี้จะเป็นอันตรายต่อพระภิกษุอาะพุทธเจ้าเลยทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุรับเงินรับทอง<ฮ>แล้วเป็นนอกจากเป็นอันตรายจากวิชาชีพแล้วยังเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะพอเวลามีเงินมีทองขึ้นมา กิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาอยากได้นู่นอยากได้นี่ขึ้นมาพอมีเงินมีทองก็อยากจะไปหาความสุขจากการซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเสกอยากจะกินนั่นอยากจะดื่มนี่พอมีเงินทองมันก็จะทำให้กิเลสนี้ออกมาเพ่นพานได้ง่ายแต่เวลาไม่มีเงินทองมันก็จะไม่ออกมาเพราะมันไม่มีอะไรที่จะล่อให้มันออกมา ไม่มีเงินอยากจะกินก็ไม่มีเงินซื้ออยากจะดูอะไรก็ไม่มีเงินซื้อมาดูอยากจะฟังอะไรก็ไม่มีเงินไปซื้อมาฟังอายุคแรกจึงมีการห้ามไม่ให้พระภิกษุรับเงินรับทองแต่ต่อมาเมื่อมีพระมาบวชมากขึ้นมีคนที่มาจากอาจากครอบครัวหรือครอบครัวที่มีฐานะมั่งคัง่งแล้วก็มีความละเอียดะ อาจจะต้องมีการเลี้ยงดูดูแลเป็นกรณีพิเศษเช่นอาจจะต้องมียาที่ต้องกินประจาที่ต้องไปซื้อมากินอย่างนี้ที่จะไม่ได้รับจากการใส่บาตรหรือถวายจากญาติโยมทั่วไปพรเจ้า ก, ก็เลยทรงอนุ ญ, ญาตให้พระภิกษุรับเงินรับทองได้แต่ไม่ให้รับกับตัวเองให้ฝากไว้กับคนที่เชื่อถือได้ให้เขาเป็นคนเก็บรักษาไว้ให้ เวลาที่ต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเช่นอาหารอาจจะ<ม>ขาดแคลนไม่พอกินก็ให้เขาไปจัดเสื้ออาหารมาให้รับประทานถ้าจีวรขาดมไม่พอใส่ต้องเปลี่ยนจีวรใหม่ก็ให้เขาไปซื้อผ้าซื้อจีวรมาเปลี่ยนก็<ม>ให้ใช้กับสมณะ บ, บริโภคคือสิ่งที่สมควรแก่สัมมณะคือนับกน บ, บวช สำนมะณบริโภคก็คืออาหารบินทบายเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยต้องซื้อยาพิเศษมารับประทานหรือต้องไปหาหมอตามโรงพยาบาลต่างๆก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต้องเดินค่าค่าเดินทางเป็นต้นหรือบางโรงพยาบาลเขาก็เขาก็ต้องเก็บเงินเพราะเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนแบบนี้ ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเระองค์ก็เลยทรงอนุโลมให้พระภิกษุรับเงินรับทองได้แต่ไม่ให้รับกับมือของตนให้ฝากไว้กับกับคนที่ไว้ใจได้ที่เราเรียกว่าวายาวจกรคนนี้เขาจะเก็บเงินทองของ พ, พระภิกษุไว้ให้เวลา พ, าพระภิกษุมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก็บอกให้เข้าไปจัดการซื้อมาให้ไม่ให้ พ, พระภิกษุไปซื้อเองไม่ให้ ถือเงินเข้าไปในร้านเซเว่นแล้วก็ชี้นูน่นชี้นี่เ อ, นนเอานน่นเอานี่อันนี้ไม่ได้เป็นวิสัยของพระที่พึงกระทําขาดอะไรก็บอกลูกศิษย์พยาวัาจากรให้เขาไปช่วยซื้อมาให้นะไม่ให้ไปเดินชอปปิ้งตามศูนย์การค้าต่างๆขาดนูน่นขานี่ก็ไปชอปปิ้งเองอันนี้ไม่ใช่เป็นที่ที่พึงไปทิ้งไ ป, ไปโคจร สถานที่มีชุมชนคนเยอะๆนี้เป็นอโคจรสำหรับพระภิกษุพระภิกษุควรจะไปในสถานที่สงบสงัดวิเวกเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาเป็นต้นไม่ควรไปอยู่ที่มีประชาชนพักทเดินทางไปมาทำอะไรต่างๆเช่นตามศูนย์ค้าศูนย์การค้าต่างๆหรือใ น, ในบ้านในเมืองก็ตาม ไม่ใช่เป็นสถานที่เหมาะต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจ mm hmm. ก็เลยมีการอนุญาตให้มีการรับเงินได้เพียง mm hmm. แต่ต้องฝากไว้ให้กับไบยวาวจชกรไม่ให้อาไปใช้เองไม่ให้ไปซื้อข้าวซื้อของเองไม่ให้เก็บไว้เอง mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมสมัยนี้จึงยังมีการรับเงินรับทางได้อยู่ ก็เพราะว่าจจะมีความจำเป็นที่จำเป็นที่จะต้องหาของมาดูแลร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดียารักษาโรค ก, ก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีกุฏิอาจจะหลังคารั่วหรือมีอะไรอาการมีสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมก็ต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาให้มันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ แต่ไม่ให้พระภิกษุเก็บเงินไว้เองไ ม, ไม่ให้เอาไปใช้เองต้องใช้คนอื่นไปจัดการซื้อของที่จําเป็นเอามาให้นี่ก็คือที่มาว่าสมัยสมัยนี้วัดวาอารามพระภิกษุยังมีการจับมีการใช้เงินใช้ทองกันบางคนก็ไม่เข้าใจว่าพระภิกษุไม่พระเจ้าห้ามไม่ให้รับเงินรับทองอันนี้ห้ามในยุคสมัยแรกๆก สมัยที่ผู้ที่มาบวชนี้เป็นผู้ที่มีความทรหดอดทนผู้ที่เป็นพวกที่นอนกระดนินกินกระสายได้มาบวชกันเขาก็เลยไม่ค่อยมีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินมีทองมาซื้อของต่างๆมาช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของร่างกายแต่ต่อมามีพวกที่เขามาจากครอบครัวที่มีฐานะเคยอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ก็มีศรัทธาที่อยากจะบวชออกจะปฏิบัติแต่ยังไม่มีความทรหดอดทนพอ พ อ, อขาดแคนอะไรก็ทุกยากลำบากพระพุทธเจ้าทรงเห็นความทุกยากลำบากของคนกลุ่มนี้ก็เลยทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับเงินรับทองได้แต่ไม่ให้รับด้วยตนเองให้ฝากไว้กับวิยาวจกรลูกศิษย์แล้วไม่ให้ไปซื้อข้าวซื้อของเองต้องการอะไรก็ให้ลูกศิษย์ไปจัดซื้อให้แล้วทางวัดก็เริ่มมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นยุคแรกๆเวลาสร้างวัดก็ไม่มีอะไรมากมีแค่กระต๊อบก็อยู่ได้แนละ้ว มีกระต๊อบมีน้ำบ่อมีไฟฟ้าก็ไม่ต้องมีมีปัจจัยสี่ก็คือใบบินธบาตจากชาวบ้านมาแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็สร้างกระต๊อบกันไปตามมีตามเกิดอาหารบินธบาตเครื่องมืงห่มก็เนี่ย<ม>ใช้ผ้าบางสกุลกันก็ยังมีสมัยก่อนสมัยยุคแรกๆเริ่มมีผ้าที่ญาติโยมถวายกันเป็นผ้าป่าบ้างผ้ากรถินบ้าง ก็พอเพียงยารักษาโลกก็รักษาไปตามมีตามเกิดท่านไม่ค่อยวิตกกังวลกับเรื่องเหล่านี้มากนะพวกที่บวชเพื่อเพื่อให้หลุดพน้นนี้ท่านมีความทอระหดอดทนพอสมควรพอที่จะทนอยู่กับความทุกข์ยากลำบากของร่างกายได้แต่ต่อมาเมื่อมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นศรัทธาก็อยากจะสร้างวัดให้ดูสวยงาม แล้วเมื่อคนมีคนมากขึ้นก็ต้องมีการสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นมีคนอยากจะมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมมีคนอยากจะมาทำบุญทำทานไถ่บาปอะไรต่างๆฟังเทศน์ฟังๆก็เลยต้องมีการสร้างถาวรและวัตถุต่างๆขึ้นมาก็เลยมีการจาเป็นที่ต้องใช้เงินทองนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันซึ่งต่างกับสมัยในอดีตการ ที่ไม่ค่อยได้นุ่งเง้นเรื่องฐาวรและวัตถุกันเท่าไหร่มุ่งเน้นไปสู่เรื่องของการหลุดพ้นของจิตใจด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาสาหรับศรัทธาญาติโยมและสําหรับพระภิกษุว่าปการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเครื่องมือในการที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจ นี่ก็คือเรื่องราวของกะถินที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขอยุติการแสดงธรรมไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าขั้นต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญจิตตภาวนาขั้นแรกที่เรียกว่าสมถภาวนาทำจิตใจให้สงบก่อนก่อนที่จะไปขั้นที่สองคือวิปัสสนาภาวนา คือการสอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่จะได้ไม่อยากได้ <Rach id. S 1> ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเราก็จะไม่อยากได้เราก็จะหยุดความอยากแต่จะหยุดความอยากได้เราต้องมีสมาธิก่อนเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังหยุดความอยากได้ บืงต้นเราจึงต้องมาทำสมาธิหยุดใจทำใจให้นิ่งก่อนเพราะถ้าเราสามารถทำใจให้นิ่งได้แล้วเวลาเราไปเจริญทางปัญญาแล้ว เ, เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์<ม>เราก็จะใช้สมาธินี้หยุดมันได้<ม>ปัญญาบอกว่าอะไรเป็นทุกข์<ม>ถ้าอยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนเป็นทุกข์นะ<ม>ตอนต้นก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาดีกับเราเขาให้ความสุขกับเรา แต่ถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเขาเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไป น, นิสัยใจคอคนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ต อ, อนต้นก็ดีกับเราต่อไปอยู่ไปอยู่มาอาจจะไม่ดีกับเราก็ได้เพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วเราก็ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาควบคุมบังคับไม่ได้อันเขาเป็นอนิจจังไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราไปหลงลักเขาแล้ว เ, เกิดเขาไม่ลักเราขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาทันที ไอคิดอย่างนี้แล้วจะไม่กล้ามีแฟนอยู่คนเดียวกว่าปลอดภัยกว่าอยู่กับความสงบดีกว่ามานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบเราจะเกิดความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆถ้าเรามีสมาธิแล้วมันก็จะ ง, ง่ายต่อการตัดกิเลส ต, ต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสุขในตัวเรานี่เราจะตัดยากเราจะต้องอาศัยคนนั้นคนนีสงงน้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเสมอ แต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาได้แล้วต่อไปเราไม่อยากจะได้อะไรอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าเราอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขเราจะไปแปลงเท้าไปหาเซียนทำไมที่เราแกล้งเท้าไปหาเซียน<ม>เพราะว่าเราอยู่อย่างมิเราอยู่แล้วอยู่คนเดียวแล้วมันเหง า, ม, ม, า ม, มันเศร้ามันว้าเหวเะไต้องไปหาคนมาเป็นเพื่อนด้วยเท่านั้นเองแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้จิตสงบได้ความเหงาความเศร้าความว้าเหวจะไม่มี จะมีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะทำให้เราไม่หิวไม่อยากจะได้ใครมาเป็นแฟนเราอยู่คนเดียวดีกว่าไม่มีเรื่องมีราวไม่มีปัญหาต่างๆตามมาดังนั้นเราจะมาทาใจให้นิ่งให้สงบการนั่งสมาธินี่ก็ทำใจให้นิ่งให้สงบคาว่าสมาธินี้แปลว่าความตั้งมั่นในความสงบของจิตใจจิตใจจะตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ต้องมีสติเป็นคอยผู้คอย สกัดความคิดต่างๆอยุดความคิดต่างๆเพราะใจทุกวันนี้ที่เราไม่สงบเพราะใจเราไม่หยุดคิดกันเราคิดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็เริ่มคิดกันไปคิดไปจนะทั่งถึงเวลาหลับแม้เวลาหลับบางทีก็ยังคิดต่อโดยในรูปแบบของความฝันต่างๆเวลาเราฝันเราก็ใช้ความคิดเนี่ยเป็นผู้สร้างความฝันขึ้นมาเราต้องมาฝึกสติสตินี้คือการเราเลือกรู้ ให้รู้ว่าใจของเรากําลังคิดอะไรอยู่คิดในเรื่องที่ทําให้มันฟุ้งซ่านก็อย่าไปคิดให้มันมาคิดในเรื่องที่ไม่ฟุ้งซ่านที่จะทําให้ใจสงบก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้คิดถึงทำบารีกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรียกว่ามีสติอยู่กับพุทธโธพุทโธนี้เป็นพุทธานุสติเป็นที่ตั้งของสติถ้าเรามีสติอยู่กับพุทโธใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เดี๋ยวไม่นานมันก็จะหยุดคิดได้ เราจะใช้ลมหายใจเข้าออกก็ได้แทนที่จะใช้พุโทโธเราก็มาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกให้ดูเฉยๆไม่ต้องทําอะไรให้ดูว่ากระโหกําลังเข้าหรือกําลังออกสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดท่านั้นตามความเป็นจริงไม่ต้องเบสไม่ต้องไปควบคุมบังคับให้มันเป็นให้มันสั้นหรือมันยาวให้มันหยาบหรือละเอียดเรามีหน้าที่ดูเฉยๆมีสติรู้อยู่เฉยๆเพื่อที่จะ ห, หยุดความคิดเป้าหมายก็คือต้องการหยุดความคิด ถ้าเรามีอะไรทําเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าทํามีสติอยู่กับลมได้หรืออยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อนเนื่องไม่นานจิตก็จะนิ่งสงบพอจิตนิ่งสงบก็จะมีความสุขแล้ว mm hmm. พอมีความสุขแล้วมันก็ไม่มีความอยากได้อะไร mm hmm. แต่เป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะสตินี้ไม่สามารถทําให้จิตสงบอย่างถาวรได้เป็นเหมือนเห็นทับหญ้าไปลาเห็นไปทับหญ้าหญากก็ยังไม่งอกขึ้นมา แต่พอเราเอาหินออกจากหญ้าทิ้งไว้ทักพักญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ความสงบก็เหมือนกันความสงบ น, นี้จะหยุดความอยากต่างๆได้ความหิวความอยากต่างๆจะหายไปความว้าเหวความเศร้าโศกหงอยเหงาจะหายไปชั่วคราวแต่พอเราเออกจากสมาธิมาพอเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็จะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็เกิดความอยากที่จะอยู่ใกล้เขาอยากจะมีเข้ามาให้ความสุขอันนี้เราก็ต้อง ฝึกสติต่อไปเวลาออกจากสมาธิอย่าปล่อยให้ใจคิดคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ามันเริ่มคิดมากจนใจฟุง้งใจเริ่มมีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาก็กลับมานั่งสมาธิใหม่เข้าสมาธิใหม่สลับกันไปอย่างนี้เวลาอยู่เวลาออกจากสมาธิก็คอยรักษาใจด้วยสติไปก่อนอย่าให้คิดมากแล้วถ้าคิดมากจนกระทั่งเ mm hmm. กิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาก็กลับเข้ามาสมาธิใหม่ ฝึกสติกับสมาธิอย่างนี้ไปก่อนก่อนที่เราจะไปขั้นที่สองคือขั้นวิปัสสนาวันนี้เราจะมาฝึกขั้นที่หนึ่งก่อนคือขั้นสติกับสมาธิสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้ามีสติก็จะมีสมาธิตามมาถ้าไม่มีสติสมาธิก็จะไม่เกิดดังนั้นเราต้องมีสติควบคุมใจให้รู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ ถ้าสู้ไม่ไหวยังคิดมากอยู่ก็ถูกไว้กับการสวดมนต์ก็ได้สวดบทต่างๆสวดช้าบ้างสวดเร็วบ้างก็แล้วแต่ความเหมาะสมให้ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ได้จนก็อารมณ์ฟุ้งซ่านหายไปแล้วค่อยกลับมาดูลมต่อหรือมาบริกรรมพุทธโธต่อถ้าเราทําอย่างนี้ได้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบเวลาจิตสงบมีความสุขก็ไม่ต้องทําอะไร คอยประคองด้วยสติไม่ให้คิดไม่ให้ความคิดผล่ขึ้นมาถ้ามันจะคิดก็หยุดมันได้ถ้าเรามีสติเราก็จะนั่งในนั่งสมาธินั่งอยู่ในความสงบได้นานโดยกระทั่งเราไม่สามารถควบคุมหรือสู้กับความคิดได้เราก็ต้องถอนออกจากสมาธิมาพอถอนออกมาเราก็จเจริญสติใหม่ใช้พุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดไปแล้วพอมีเวลาว่างก็กลับมานั่งสมาธิใหม่ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีความสุขกับการปฏิบัติสมาธิมีความสุขกับการนั่งสมาธิเราจะทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากคนอื่น <c oughs> แต่เวลาดถ้าเราไม่นั่งสมาธิเราขี้เกียจเจริญสติเดี๋ยวเราก็จะไม่มีความสงบเราก็จะฟุง้งซ่านรู้สึกว่าเว่่่่่้่่่่่เ่่่เ่จจ่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ แต่ถ้าเรามีปัญญาก็มองให้เห็นว่าเขาเป็นทุกข์เขาให้ความสุขเราแบบชั่วคราวไม่แน่นอนบางทีเขาก็ดีกับเราบางทีเขาก็ไม่ดีกับเราเราห้ามไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาดีกับเราไปตลอดไม่ได้ห้ามแม่เขาไม่ดีไม่ได้ <S <S ถ้ารู้อย่างนี้เราก็กลับมานั่งสมาธิดีกว่า <S <S นี่ก็คือวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะทำตั้งแต่บันนี้ไป ระหว่างนั่งถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีเสียงเข้ามามีรูปเข้ามามีอะไรความรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านั้นมันก็จะหายไปถ้าเราไปสนใจแล้วใจเราจะไม่นิ่งไม่สงบเลาต่อไปนี้เราจะมานั่งกันอีกประมาณยี่สิบกว่านาที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 ถ้านั่งแล้วยังไม่สงบวันนีก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยก็ไปพยายามฝึกสติสร้างสติให้มากขึ้นเราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเพียงกรเลือกถึงพุทโธพุทโธไปในใจเรื่อยๆ เ, เราก็จะมีสติแล้วแลวต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวาลิวาฮาปุราปาริปุเรนติสักลัง เอวเมววัโสชินังเบตา낭อุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวสมิชตุสภะปุเรนตุสังกาปาจันทปนะระสสยธามณิจติระโสยธาสพิติโยวิวัจันตุสัพรควินัสตุ มาเตภวตวันตรลาโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวาตนศีิสานิจังวุธาปะจายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง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 วันนี้มีผู้รับฟังธรรมะ น, น้ากุติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ249ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์284 YouTube ดร V 46วิทยุออนไลน์13คล House 3น้ากุติ139รวมทั้งหมด734ท่านค่ะมีชาวต่างชาติไมมทราบเขาอยากจะถามเลยหรือเปล่า Do you have any question Okay. Uh, good afternoon, Ajahn. Uh, thank you for you give me a chance to ask a question. Uh, when I s i t i n g meditation, um, the mosquito fly around, and mm -hmm. my my worry, scare, it make my my not stable. Um, could you please give me the advice? That situation h a p p e n What could I do? There are two remedy. One just let it by. Okay. The other is find a place where there there's no mosquito. Just let it by and yeah, just learn. Bite, yeah. yeah, learn experience from it. Yeah. Yes. It's not that painful. It's taking a uh, taking a needle is more more painful than a mosquito bite. j yeah. s let it by. Just charity and dana. Keep blood. <laughs> <laughs> uh, thank you, Ajahn. Uh, that s that s make me from yesterday the question I ask Ajahn about the the mind e uh, not stable. Um, you let me say butoh butoh butoh. I I started. It uh, it, it keep the e y e um very beautiful. Uh, thank you, Ajahn, for that. แล okay. yes. today another situation but yeah, a o e s o b t just stay with b u b u h and forget about the mosquito yes thank okay. you ารคำถามจากผู้รับฟังนกุฏิค่ะทำอย่างไรเราจึงรักสัะทิฐิได้คะต้องทำตัวไม่มีตัวตนสิหรือทำตัวเราเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคนรัใช้ย ใครจะด่าเราเราก็ปล่อยก็ด่าเราถือว่าทุกคนเป็นเจ้านายของเราเราอยู่เฉยๆไปไม่ตอบโต้ก็แสดงว่าไม่มีตัวตนนะ้วคำถามจากผู้รับฟังนักกุฏิคะ่ะโดยปกติหลวงพ่อภาวนาหายใจเข้าพุทธออกโทรหรือพุทธโทพุทธโทถีๆมีเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมไหมครับก็<ล>ยังยังได้อย่างหนึ่งก็ได้พุทโทอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ หรือใช้สองอย่างผสมกันก็ได้หรือถ้าไม่ถูกกับเราเราใช้อย่างอื่นก็ได้ใช้โครงกระดูกก็ได้นึกถึงโครงกระดูกเพ่งโครงกระดูกไปหรือนึกถึงคามตายก็ได้เกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแล้วต้องตายต้องตายต้องตายต้องตายกรณีเราป่วยหายใจติดขดัดภาวนาอย่างไรครับ นอนภาวนาได้ถ้าป่วยนั่งไม่ได้ก็ใช้พุทโธแทนถ้าหายใจดูลมหายใจไม่ได้ก็ใช้พุทโธไปสวนมนไปหรือเปิดเทปฟังธรรมะไปก็ได้คำถามจากทาง Facebook ค่ะเมื่อเราปฏิบัติธรรมโดยไม่หยุดและไม่อยู่ในทานศีลภาวนาปัญญาด้วยไปจนถึงวันดับของชีวิตไปจิตของเราจะไม่หวาดกลัวจะมีความสุขและกล้าหาญโดยอัตโนมัติ หมายถึงไปดีเวลาจากโลกไปใช่ไหมเจ้าคะก็อยู่วิจการปฏิบัติของเราว่าได้ผลหรือไม่มันอยู่ที่ปฏิบัติแล้วได้ผลจิตก็จะสงบไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายแต่ถ้าจิตไม่สงบไม่ได้ผลมันก็ต้องวุ่นวายอยู่ที่การปฏิบัติของเราไม่ใช่อจจะเป็นอัตโนมัติว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลเหมือนกันทุกคนคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ สิ่งใดทําให้ก่อกําเนิดเกิดจิตขึ้นมาครับไม่มีใครรู้แม้แต่พระเจ้า ก, ก็ไม่รู้คาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าเราเห็นแสงสีแดงออกจากตาเพื่อนคืออะไรเจ้าคะก็คือแสงสีแดงออกจากตาเพื่อนง่ <คำ S 1> นายาจะตายเไหมจะจะไปรู้ทําไมเป็นอะไรก็ แ, แสงสีแดงออกจากตาเพื่อนมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วมันเป็นแสงสีแดงออกจากตาเพื่อน ถ้ารู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นก็จบคำถามจากทาง Facebook ค่ะจิตกับเจตสิกห้าบสองต่างฝ่ายต่างอยู่เฉยสิ่งใดจึงนำให้มีแรงดึงดูดสัมผัสกัน ก, รรกุศลกรรมอกุศลกรรมวิบากกรรมใช้แรงดึงดูดไหมครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวอนันนะี้ทำใจให้นิ่งให้สงบดีกว่าอย่าไปเสียเวลาเอาพุโทโธคาเดียวหยุดใจให้หยุดคิดดีกว่า คิดไปก็ปวดหัวเบาๆรู้ไปก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใจสงบได้รู้มากเกินไปไม่จาเป็นทัานนี้ขัานแรกฝึกจิตให้นิ่งให้สงบก่อนส่วนจะรู้อะไรต่อไปเป็นขั้นของปัญญาให้เราได้สมาธิก่อนแล้วเราจะรู้คำตอบเองคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะถ้าดูประกอบด้วยขันศีใช่ไหมครับไม่ถ้าขันศี ขันสี่เป็นส่วนของของธาตุรู้ธาตุรู้มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกเวทนามีความรู้สึกนึกคิดสังขารมีความรู้สึกจําได้หมายรู้สัญญามีความรู้สึกมีความสามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกลิ้นกายได้อันนี้คือนามาขันความสามารถของธาตุรู้คําถามสัตทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแบบนี้จะมีโอกาสบารรลุธรรมไหมครับก็ <c oughs> อยู่ที่การปฏิบัติของเราว่าถูกหรือไม่ถูกถ้าถูกก็บรรลุได้เดี๋ยววันนี้ฝนกลจะตกแล้วขอเลิกก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะเก็บข้าวเก็บของไม่ทัน We are about to have a storm coming so we have to stop right now Okay, w ร l คุยกัน next time ต้องขออภัยด้วยนะแต่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความ สะดวกรวดเร็วอันนี้ก็ขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ